พระธรรมเตสนามโหสถจาดดกจอมปลาแทงมิถิลาภูกติซิบฟังแล้วเกิดพยาปัญญาพราหฮฉลาดเรียบเรียงไวจากตนฉบับปื่นเมืองโดยก่ออิสม์ัยชมพูปริยธรรมหก ป, ประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหายอาธุ ตุาธะสาวกาวตัวราหะตุสมมาสัมปุทตะโพธิสัตตุปุริสานังทานังตัตวานเปสีติสาทาวูดุราสัปุริจตั้งหลายตั้งนิ่งใจน้อยใหญ่ โอ้บักไฟผาทรงอาจินจงไข่ผากป้นตุกอย่าเครื่องกามีนานาต่างๆในโลกกว้างเมืองคนจริงละเฮือนตอนไห้แล้ว มาสู่ข่วงแกวอารามจีเตียนตามถูกไตตั้งดอกไม้ลายสีอันจูลีก้มเก่าปู่จากุนพระพุทธเถ้าเจ้ายอดเจียงจิน สมาตานสินแปดท้านั่งอยู่ท่าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบารลีวาโปทิสัตตดังนี้เป็นต้นบรรัดนี้แดเต โปทิสต่ออันว่าโปทิสต้นอง์อาจคือเจ้าน้อยนาดมโหสถมานนำนางลงคานห่อเน่าฝากคนเฝ้าผาตูแล้วตนบุญจูน้อยอ่อนก่อไปสู่บ่อนเกหาเอาคำขาดกาใหญ่นับอันใดหลายปันยกยื่นปันแก่หมู่อันเป็นกู่เตรียมตา ผู้มีวาจาอ่อนอ้อยจางก่าวถอยลมใจว่ามีนั่งองไวหนึ่งไสดังนั่งเตะปาไทยกันยาอยู่เกฮหาปูเท้าอันอยู่เฝ้าประตู สู่จุงไปดูสั้นพอแล้วตานต่อใครจะเอาคำขากาใหญ่ยืนวางใส่ตกปันเพืือเอานางจอมขวัญน้อยอ่อนมานอนซอนหออใน ใจเตรียมใจแขวนใจรีบสาใสาไปปัน่นต่างไขรปัน่นกกาทอยด้วยกำอ่อนน้อยนาหนายกคำขาก่ะใหญ่ตกวางใส่เป็นไม้ <c oughs> นางบุญไผยยอดซอยบอ่อไฟหอยยินดีเต้าไข่วาตีเก่าจี้ว่าบอ่อแม่นตีกองทำสุ่มีเงินคำแต่เรา แต่ใจกำเศร้ากะลีคุณบ่มีสักหญาดย้อนผามบาทลาสาสูนีนาเสียงควายสั่งรอมไว้จอมกันบ่ถ้าปันเป็นปุ่นยังบ่เต้าปุ่นทรายดิน อันติดตีนผัวค่าเหตุสูตรตำเจ้าจังไรเงินคําใสนั่นใสอาจแลกใดดังหมายยังยิ่งไหลใหญ่น้อยผู้ใจถอยป้าลา บอ่ออาจมาแหลกใดยังยิงผู้ไตตามทมสูยาไข่คำนักกว่าจุงอายนาขึ้นไปใจเตียมใจแก่นใจฟังนางนาไทายไข่ปันกอป้ากันลาภาคนีออกจากเกหาแล้วออกไปจากเกาฮือเจ้าหูตามีหนอมุนีบุญใหญ่จกคำใส่ธมนา กาดานาหลายหลากหมื่นหนึ่งหากเป็นหม ch ch ้ฮจุ่มใจแก่นใจลองคบไข่สามหุนนางตาวนยอดซอยดังสาวอ่อนน้อยเมืองสวรรค์แม่ได้หันคำหมืน่นก็บ่จื น, นดินดีเต่าไข่วาตีต้าน ต, ต่อเป็นกรคำดายอหลายอันเขากอป้ากันปอกเตา มาบอกเจ้าตามคำนอคุณทำฟังแล้วใจพองแผวสมมานัตสาปิจารณาเสียงไว่จริงแต่งใสอุบายว่าสัวตั้งลายม้วนมากจุงไปหลากนางมาใจเตียมตาม้วนหมู่ก็หลังลูไปปั้นเกาะกุมพันจักจองลงจากห้องเกหา หลากนำม า, ยาอยากจะอยู่ต่อหน้าบัดเดียวนังชมช้าเลี้ยวน้อยคือนางยอดซอยอ ม, มาราหันนอพุทธาบุญใหญ่พ า, าดับไข่อินทิปริวานมีลายหลากทารุงยอดมากนั่นํานางก็จำบอดได้เกิว่าเป็นอามายายัดใหญ่เศรษฐี เรือเสนาบดียอดยาวแตนตันต้าปาราใจเววาหลลาขึ้นแล้วหากเกองกลัวนางจริงไขหัวจใจแลอร้องให้ซ้อนกันนอคุณท่านหันแล้วจิงถามนางนอแก้วอ ม, มาราวาดุระนางโซภาน่อยนาดวันนาวีลาดเอาใจ เป็นสันดดยร้องไห้แล้วยังไววบาดเดียวแสงรีบเร็วเบาใจไขหัวต่อหน้าตนกูกูถทำดูไขหัวนางจุงอูตามมี นางก็ไขว่าตีตออเล่าว่าคาแดเจ้าบุญภายตันมียอดลายเหลือแหลเงินคำแพทถมทองซับผ้าของเขื่องใจย่อมก้าไใหญ่เจียงคาน มีปาริวาน้อยใหญ่วังแวดไก่นำนาของนานานี้เล่าเกิดแต่เจ้าคำใจย้อนบุญหลายแต่ไทยอันตันใดกะตร ม, มา้าพิจารณาสั้นทีบ่มีทีสงสัยยินมีใจจมจืนปีติตื่นในตัวจริงไขหัวหลาหลากย้อนใจหักเจยบาน ยังสมปานตันเจ้าแต่จาดเก่ามีลายคาเสียได้แต่ใส่ตันจกักใดไก่กาจากยศทาผ่าเสืดเข้าของเหลิอเจียงคานตั้งป ร, ริวานม้วนหมู่ลงไปสู่อวเวจี ย, ยอนเยี่ยบอดีถอยจ่าก็กอลุ่มคานำมา ข้าคุณนะแต่ใส่จริงร้องไห้เรรนย้อนอินดูตนต่านเจ้าจักในเข้าอาบายแลยนะสางสุดต่าโพธิสัตต์อันว่าโพธิสัตตนองค์อาจฟังนางนาจจะใครยินมีใจจมื่นปีติตื่นเหลือลาย เงือสหายแก่นใจดำนางดาทายโสภาขืนไปเกหาตีเก่าแห่งคนเฝ้าผ้าตูก็บีฮันแลยนะตันดาทีว่าเสกันวันลูนวารอดหนอเจ้าหนอดตาสะ้นก่อผ้าดับตนเบียนแล้วเป็นดังจ้างแซ่เดิมอ่อน แล้วเตียวจรไปสู่ยังตีอยู่นางอมรานางโซฟาหน่อยอ่อนเล่นบาตอนเร็วไว้แล้วจะไรเก่าอู่เฮเจ้าจูพักการดอโปที่ญานบุญใหญ่หัวแจงไขขี้าบ่อไขจากเกาอูเต่าดักอยู่ได้ได้แล้วปานางบุญภัยน้อยนาด ไปสู่ภาษาตผางกาแห่งราชจญจานยศใหญ่คือนางนัดไทยอุตุมปนเตวีไขวัติบอกเล่าตั้งแต่เก่าเดิมมานางพาญาหูแล้วใจพองแผวเดือนลายจิงไปถ้าวายกลับไปบอกเต้าไทยวิเตหราช เจ้าผาญาหูแล่อใจพ่องแผ่อเจิดานเฮืออลังการบ่อน้อยแก่นางยอดซอยอัมมาราแล้วมีอาจญาป่งขาดฮืออามาตาังตนกับตังคนหนุ่มเทาน้ำสองเจ้าบุญดาไปยังเกหาที่อยู่แห่งเจ้ากินกู้โนมุนี เต่งดาดีกินแขกตามเกาแรกเดิมออนเต้าผู้ทอนยศใหญ่ก่อตกใสปันนาการย่อมเจียงขานหลายแลนับอ่านแต่ปันคำคนหนานำตัวดาวหัวแจ้งข่าวขี่ญาทรงปันนาการมามากเต้าเฮือแก่สองเจ้าบุญมีนางชมสีบุญมากแบ่งของฝากปันนาการ ส่วนหนึ่งนา่งดงคานเบียดไว้ส่วนหนึ่งใจไปถ้าวายแก่เต้าบุญภายที่ราตั้งอามาดเสนาตั้งพระจาหน่อยใหญ่พร้อมเสียงคว้ยนิ่งใจ คนตั้งหลายมวนโมู่ต่างเืิญสูนดีปิญญามีไฟหอยฮักนางดอน้อยอัมมาราดังวงสาปีน้องเกิดร่วมต้องคากุนต่างยอคุณสาสาร้าไข่เข็ดาวธานีหนอกมูนีตนอง์อาจกับดังนาดอัมมราบ่อเครื่องกาต่ำก้อยอยู่เืิญจ้อยเจยบาน ข้อตัวหานเล็กย่าอุบาตรารให้ห่นหนอตสาสะพนยอดซอยกอก่าวถอยไข่กับอกอททัตะธรรมต่างๆ <c oughs> แกเจ้าจ้างผ่าปาราแก่ปัญหาต่างๆ ต, ตามเจ้าจ้างจะาทามฮือใส่งามแจ้งที่หมดเสียงตีสังกา เจ้าปาราธิราชก็วางขาตกปันยังรางวันใจใจหลวดมียดใหญ่หรือชาก็มีหันแลนาตาต่อปัฏายะแรกแต่นั่นไปไปนาบอนเดินจ้าหึงนานสี่อาจารย์นักผาดแห่งเต้าธิราชเดิมมา ก่อเครื่องกาต่ำก้อยย้อนตาอยอดซอยผู้บ้านบอก้ฮปันนาการดังเก่า้ฮแต่เจ้าบุญมีเขาเครื่องขีหลายลากจูผู้หากมองผ่านจุมอาจารย์ตั้งสี่ไปสูตีบังตาแล้วปึกษาเก่าูฮกันหูอาการ ว่ามโหสดกุมานน้อยนาจบชาลาชะเลียวมันคนเดียวแต่ใสเราบ่แป้ใดดีหลีซ้ำใดเมียดีแถมเราจบชาลาเต้าเสมอกันพอบอ่หันตาแกว่าเราจาักแป้สันใดแต่นี่ไปไปนาเราเตียงตำจ้าตกผ่าน เราควรทุนสารสนสอก่าวถ้อยต่อมุสาอภาญานยศใหญ่ได้โคดไม่เครื่องขีจำมันนีภาคนาหรือว่าคามันตายเราตั้งลายนี่ไสที่ยังจักในสุขบ้านอยู่สำราญบ่าผ่อดังแต่ก่อนมาหลัง เสนากาฟังแจ้งที่ดังเจ้าหมู่จีจะใครจริงเดียวไว้กาอูว่าขานี่หูอุบคือส่วตั้งหลายอย่าจะเย่กตามข้าไขคมยามเจ้าห่อคำบอดอยู่เราจะเข้าสู่หอไหนแล้วเดียวไว้สาวแววรักเอาแก้วมานี เป็นของดีก้าใหญ่นำไปสอนไว้เฮือนบันทัดแถมบันปลายนาอยาฮือจ้าเมื่อนานฮือปักุตะอาจารย์นี่ใส่ไปลักดอกไม้คำแดง เป็นของแปลงกะใหญ่แห่งเต้าไทยนารินส่วนกาบินอยาจ้าไปลักเอาพากรรมฝนของกับตันเต้าไทยมีก้าใหญ่นำนาเทวินนันนาไกว่ยองเข้าสั้นซองเล่งแยงลักเก็บคำแดงตันเต้าตนภาพดาวห่อใจแล้วนำไปสุกส่อนไว้ในบ่อนเฮีอนมัน แลออกปะกันไปไว้สึ่งเตาาไทยราชาว่าของดาดานั้นเล่าอยู่เฮือนเจ้ามะโหสดดีลีย้อนมันบ่ดีลกใหญ่ <c oughs> ลักไปไว้เฮือนมันเจ้าออกจันยอดยาวเตียงโคดเฮาเครื่องขีจ่จะคับมันหลีผากนาหรือว่าคามันตาย เราตั้งหลายมวนมากเตียงป้นจากตั้งผานสีอาจารยตั้งหูตั้งคำสูอาสาเซนัะนันนาบ่อจา่าละแกว้วเจ้าฟ้ามาไวแล้วนำไปใส่ไว้ในหมอนมใหญ่งามดีฮืตาสีแก่นใจแบกหมอนมใหญ่ไปขายว่าคนตั้งหลายทวนนา ตั้งป่อก้าเศรษฐีหนิงใจมีน้อยใหญ่เตี้ยวควักไข่ไปมาเขามาจ่าทาซื่อบึงงยังหรือขายจุงพันภายไปรอถึงติจอดมโหสถอาจารย์มันมีปริวานน้อยใหญ่เตียงซื้อไว้ดีลี นางตาสีแกวนใจแบกมอนมใหญ่เตียวไปบ่อนานเต่าใดก็รอดถึงเฮือนยอดหนอพุทธามันก็จะบอกข่าวห้องเอื้นเก่ากำไปว่าคนผู้ใดไขใดยังนำนมใหม่งามดี ข้าหากมีเต็มมอจุงมาพอลองจาำนางเก่ากำงามลายแลเตียวพัดแผ่เววล์เตียวหายหนดื่มเหล้าไข่ตี้เก่าลายตีนางตาสีก่อมใจแห่งเจ้ายศใหญ่บุญภ่ายไผ่บ่อไมยจากซื้อเต้าพอยื้อไก่ตานางอัมมราหน่อยหนาท์นิ่งขวาดในใจ ว่าสันได้หนีใสนางคาใจตาสีมาไขว่าตีลืมเล่าบ่อไตเต่าไฟในก้วนสงสัยหลายลากเหตุไราหากเพิงมีจิงเรียกตาสีผู้ใบเข้ามาไกจะทมว่านำดมงามนี้เล่าจักไขเตาได้ดีนางตาสีตอบถอยตามเสนากะถอยสอนปัน ว่ากันแม่จ อ, อมควันจากซื้อข้าจักหือได้ได้ตามดังนายผูย้ใหญ่ได้สั่งไว้ายา ม, มานางอ ม, มาราหยาซอยแสงกาถอยคำดีว่าจุงไปเรียกตาสีแห่งข้าอยู่พร้อมน้านำนาหลังเกฮานันา่นใส มาเอาหมอใหญ่บัดเดียวตาสีเร็วไว้ว่องไปเรียกร้องตามคำนางบุญ น, นำหน่อยอ่อนเอามือปอนลงซ้มก็หันแก้วงามกามากพันณหากงามดีคือจุฬามณีแป้งกาแห่งเจ้าฟ้าผู้บาน นางนงคานบุญใหญ่ก็เอาปอนไว้ดังอ่อนตาสี่จรปิดปอกวายหน้าออกคืนมานางก็จะาทำเล่าว่าจือ่อนางดอเนาสันใดสายวงใหญ่พ่อแม่ตั้งเท่าแก่ตายายมีจื่อหมายเรียกร้องเฮือนอยู่ห้องแดนใดมันเป็นไัยแต่งใจหฮือนนางได้นำมา นางจุงจาเกาจี้ฮแจ้งทีตามมีนางตาสีผู้ใบบอกไข่ขี้ยะก็ไข่จาตามซื่อบอกยังชื่อแห่งตนบอกจื้อคนผู้ใจพร้อมเสียงไข่วงสานางอัมมาราบุญใหญ่ก็แต้มไว้ดีงามยังจื้อน้ำจูผู้ตามตาสีอูไข่ปัน ตั้งปีเดือนวันวันเก่นยามตัดแม่นตามีว่าวันนี้ตาสีขาใจแห่งนักผัดใหญ่เสนากะอาจารย์เอาแก้วเจียงคานแปลงกาแห่งเจ้าฟ้าผ า, าปุรีเฮือตาสีขาใจใส่หม้ใหญ่ามาขายกันแต้มไม่เหมียนจอดนา่งแก้วหยอดอัมมาา ก็นำมาเมียดไว้บ่อหือใดสูนหายบ่อนานลายแต่เหล่านักผัดเก่าปากุตะอาจารย์ผู้ใจหันบ่ไปกอดลักดอกไม้คำแดงเป็นของแปลงลำมอกใส่ข้าอมดอกดวงบ้านอันหอมนานบ่ผ่อนหรือดอกมารีซอนงามดี ฮือตาสีขาใจนำมาขายไว้สันเดียวกาบินก่อเรียวบ่อจ่าไปลักเอาพากำปนฮือตาสีขนขำใจใส่ข้าเช้าผักไม่ไปขายเตวินหมายลักใดยังเกือบเต้าไทยคำแดงเป็นของแป้งบมักเต้าใส่มัดเฝ้าเข้าดูดี เอตาสีแก่นใจไปไขว้สันเดียวนั่งชมชาเลวผู้ฉลาดคือนางนาดอัมมาราแสงบ่อสังกาสือไว้เตมเสียงไขวันยามตั้งจื่อน้ำจู่ผู้ตั้งจื่อหมู่บงสาแลออกก่อจาบอกเราแก่ผู้ที่สจ้าจู่ภาการก็มีฮั่นละนะ ทัดนันไปไปนาบ่อนเนินจาหึงนานจุมอาจารย์ตั้งสีเนี่ยนาคีเจยบ้านไปทุนสารขับไว้ซึ่งเต้าไทยหอใจว่าสันดะวีเตาาไทยบ่อฝดับใส่จุลามณาีเจ้าปุรีไปรู้ก็เก่ากําไปว่าจุงเร็วไว้รีพาวนำมาเฮกูเต่าบัดเดียว เขาก็เรียวบวนหมูมเข้าไปสู่หอในพอหาไในก็เลวโบหันแก้วดวงดีดอกคำแดงมีก้าใหญ่เกือบคำใส่เป้องแปลงผ้ากําปนแดงกะามากะก้ า, าคกหายไปเขาก็ใครบอกเล่าแก่เต้าเจ้าผู้บ้านว่าคงเจียงคานตั้งสีใได้หลีกลี่หายซอย บ่มีห้อยคางไว้หื้อตัวคาใดเล่งหันรอยมโหสดมันลักใดนำไปไว้เฮือนตนมันเป็นโจนหัเทาเป็นสัตว์ถูเต้าดีลีมันบ่ดีอยาบจะใครเป็นเจ้าฝ้าผาปาราส่วนคนต่างตาแก่นใจอันเจ้าแต่งไว้ดวงลาล เอ่พันภายต้องภายฟังข่าให้และดีเขาฟังเขาฟังว่าตีโอกาสแห่งศีนักผาดอาจารย์ได้ทุนสารขับไว้ซึ่งเต่าไทยหอใจก่อเรียวไว้บอกจ้ารีบวายนาขึ้นมาแล้วใครจะบอกเราเอแก่เจ้าตามมี หนอหมู่นี้ยอดซอยก็ตอบท้อยจากใครว่าเราจากไปไว้เต้าด้วยรีพาวบัดเดียวเจ้าก็เรียวกาผากออกไปจากคลื่อนตนเดินเตียวหนไว้ว่องจะเข้าสู่ห้องหอในเจ้าหอใจหันใส่นินโคตไม่นานำ ย้อนฟังคำกาถอยแห่งนักผาถอยจังไรบอกปิจาราในทวนที่ฮือม่นตีตามทำจริงไขกำห้ามขาดบอกห้อเจ้าน้อยหนาทรัพย์ปัญโูเข้าไปจูต่อนาไลฮือกว่าขึ้นหลัง หนอบุดทั้งบุญใหญ่เข้าบ่อใดดังหมายก็พันภายรีพาวมาสู่ดาวเฮือนตนก็มีฮั่นแหละนาะวิเตหราาอันว่าพระยาวิเตหราชฟังนักผาตปาลา บ, บ่พิจารณาสั้นสองฮื้อแม่นจ้องกองทม อ้าฟังกํากาถอยเป็นกคำถอยมุสาก็มีอาจญาปองขาดเือผัวเข้าหาดใจหรนนำหน่อโป๊ที่านไปขาดฮความดามารนาว่าถึงวันมาผูกเจ้าเฮอสูาา่เจ้าตั้งล า, ายไปยับใจใจบาปหมอสุภาพตามธรรม คือมโหสถอาธรรมอยาบจะไปคำคาฟันแตงหือเลือดแดงย่อยยาจีวิขาดบ ม, มวายจุมคนใจแขวนใจอันเจ้าแต่งไว้หลายคนได้ปลอมตนอยู่เฝ้าฟังเต้าเจ้าจะใครก่อเรียว้ปิกปอกไมหน่าออกขึ้นมา ใครขี่ยาเก่าเหืีเจ้าหูโจผักก า, ารหน่อปูติญานหนุ่มเน่าคนิงเหล่าไปมาว่ากวนไก่กาละภาคออกไปจากปุรีเอาตอนนี้ลี่ซ่อนไปอยู่บนไกตาเจ้าปารายดใหญ่หูขวาดใดไปลุน ยักหันคุ้นเบื่อซ้อยบอกกดก้อยเสียในกันข้าดิ่งในเบี่ยนแล้วก็าลานางแก้วอมมาาไขาขี้ยะเก่าูฮือนางหูอบายตนคำใจน้อยเนตรก็เอาเปรตตัวตนเป็นดังคนปั้นหมแม่นคนพอตอตาบอสังกาสักภู บอ่ออาทุเป็นภัยเจ้ารีไปจ้าใจออกคนไตธานีอดขันตีบอจอต่อเต่ารอดตะขินัยวมัจกรรมหอเหือนงามใหญ่กว้างคนอยู่สร้างลวงลายจุมยิงใจน้อยใหญ่ปันหมอไข่จูค น, คน นอตาสะปนไปรอดก่ขอขอยังจอดเกหาแห่งสองขาปูญาบ่มีลูกลาจิงใจอันเป็นสายนอเนื้อจักสืบเชือยย้อวงใหญ่ขออาสะไลยอยู่ใกล้ขามรับใจกะตำการขอเป็นลานลูกเตาใดอยู่เฝ้ารุมราตั้งสองขานย่ปูเก็หื อ, อยู่ตามกำ คนนานำน้อยใหญ่หัวแจงไขขี้ยาว่านอปุทธาบุญมากนี้ออกจากเวียงใจต่างจะไขต้านเกาไปไขดาวธานีต่างมองขี้บาดไม่ผองร้องให้ขะนิ่งหาต่างก็จากเกาถอยมีบ่น้อยไหลผักการ ส่วนสี่อาจารย์นักแพทยหูว่าเจ้าน้อยนาดมีไก่ตั้งมีใจจืนซูมาซุมอยู่จอมกันเลี่ยงอุ่นเงินมากเต้าด้วยข้าวเล้าอาหารสนากาอาจารย์อวดอ้วาสูบหงหันก้าพันยาคานีนาองค์อาจจมฉลาดเหลือลาย ยิ่งกว่าใจหนุ่มนาวลูกแข่งเจ้าเศรษฐีบัดนี้มันนี้หายกว่าบ่อใจพันยา้าเจรือต่างอาอือก่าวแกว่าแม่นแต่บ่อสงสัยกันบอกให้ก่าวจี้ฮหือแจ้งทีอุบายเราตั้งหลายนี่ใส่เตียงร่อนไม้นำหน้า วัดนี้มันกาละภาเก่าตนจากมีหายเราตั้งหลายจูผู้เตียงได้อยู่เจอย้านสีอาจารย์บาบเร้าว่าเจ้าดีไปต่างมีใจใครใดยังนางนดาทาอัมมาราต่างบอจากก้าอเจ้าหมูห่ความในต่างไม่ใจใครใด ตางมักไฟแปลงปันต่างใจพันจิตจอดย้อนใบบอดสามานตต่างแต้มสันติดต่อไปถึงนั่งรอสซฟาตั้งของนาณาลายหลากต่างก็ฝากไปปันสลีสุพรรณนาไทยก็หับไวจูพาการแซงแต้มสันตอบทอย ว่าใจจังหอยปีญานัดเข้ามาจูพผู้ฮือมาสู่เฮือนนงแบ่งเวลาวางเป็นก่นบอกฮือตัดแม่นยาำเดียวเปืือเือเข่าเตี้มาสู่ยังตีอยู่เกะหาต่างเวลาต่างผู้บอกฮือเข่าหูาหปักกันแล้วไรปันเกาูฮือขานยิงหูบาย ส่วนอาจารย์ลายตั้งสีต่างหูทีลายศารต่างใจบ้านจืนสูม้่มมึกอยู่ในใจก็มีวันนั้นและนะเ <c oughs> นธิตังขีญาสังวันนานาวิเศษ จ, จาห้องเหตุมโหสถผูกทวนสิบไผจักยิบเอาใด ยังแก้อกาใหญ่แปลงเมืองคือนางบุญเรื่องน้อยนาทุู้ชาลาดสัมปักการสีอาจารย์จินจอยเรือตามก้อยสันใด้ก้อยฟังไปเตรียมแทงจักหูแจงปายนูนก็บังกมสม็จเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล